มีใครอยากจะถามอะไรไห ม, ไมอยากจะถามมีคาถามหลวงพ่อครับการถวายไปปรารถนาอย่างนี้นะครับกับพระผู้ไหนสงฆ์ที่ว่าห้ามสงฆ์รับปิยะอะไรจะเหมือนกันไหมครับคือไม่รับกับมือไม่เก็บไว้ครอบครองแต่ฝากไว้กับผู้ที่เราเชื่อถือ อย่างนี้ไม่ผิดเขาได้ไหนใช่ไหมค่ะคือแม่ถือว่าเป็นของของพระเป็นของโยมฝากไว้และเวลาพระต้องการใช้ก็บอกคนที่เขาเก็บให้เขาไปจัดการให้ถ้าเขาไม่ทำคล้อ เ, เงินไปใช้หมดแล้วก็ช่วยไม่ได้ออไปไปฟ้องร้องเขาไม่ได้ไปเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ นอกจากบอกญาติโยมที่มาฝากเงินไว้ว่าคนนี้ที่เราให้ฝากเงินเก็บไว้เขาไม่ได้เอาไม่ได้เก็บไว้ไม่พูดทางทางกฎหมายทางอะไรแต่ทางพระวินไนน์นี่ไงทางพระวินยยัยไนนยพิไนน์นก็คือกฎหมายกฎหมายของพระพระพุทธเจ้าแม่พระถือว่าเป็นเงินของตนให้เป็นเงินของญาติโยม ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้เวลาต้องการใช้ก็บอกเขาให้เขาเป็นคนไปจัดการซื้อของที่ต้องการไม่ให้พาไปซื้อเองไม่ให้พาถือเงินไปซื้อเองไม่ให้พาเก็บเงินไว้เองไม่ให้ครอบครองไม่ให้พกพาเพราะอันจะเป็นอันตรายมีเงินทองติดตัวไปทุดดงเดี๋ยวก็ถูกโจรปล้นนะ ก็ไลยฝากไว้กับคนที่เราเชื่อถือได้แล้วเวลาต้องการก็ไปบอกเขาว่าต้องการซื้อจีวรต้องการซื้อยาซื้อของที่จำเป็นต้องการแต่ถ้าเขาบอกเขาขอยืมไปใช้หมดแล้วก <c oughs> ็ช่วยไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> <sk comentários> ็บาปแต่เาขาคงไม่ทำหรอก เพราะเราก็ต้องเลือกคนที่เชื่อถือได้ไว้ <S <S <อ>ถ้าเชื่อถือไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่คือไม่้ถือว่าเป็นของพระพระไม่มีเงินทองของตนเองเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้นี่คือหลักของพระวินยัย เ, เวลาหมดกไม็ไม่ได้จะได้ไม่เสียใจเพราะไม่ถือว่าเป็นเงินของพระ เป็นเงินของญาติโยมตอนต้นท่านไม่ให้รับเลยสมัยยุคแรกๆเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อพระมากกว่าเป็นประโยชน์แต่ต่อมามีพระผู้ที่มาบวชเป็นผู้ที่มีมีสถานะที่อาจจะคล้ายๆว่าไม่แข็งแรงไม่ ไม่แข็งแกร่งเป็นพวกที่อาจจะต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมบางกรณีบางที่อาหารบินาบาตได้ไม่พอเพียงเลยว่าเป็นแบบที่ไม่ถูกกับสุขลักษณะอะไรก็อาจจะต้องไปซื้ออาหารเสริมมารับประทานอะไรน้องๆพระพุทธเจ้าก็เลยอนุโลมให้ถวายเงินกับพระได้ แต่ไม่ให้พระครอบครองเป็นเจ้าของเงินนั้นให้ถือว่าเป็นเงินของญาติโยมฝากเอาไว้เผื่อเวลาจะต้องการจะใช้อะไรก็บอกเขาได้บอกคนที่ฝากเงินไว้ให้เขาไปซื้อบางทีต้องการหยุกยาบางคนมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างบางคนต้องไปหาหมอประจำก็เลยต้องมีค่าใช้ใจ่าย องค์ก็เลยส่งอนุโลมให้ญาติโยมถวายเงินทองให้กับพระได้แต่พระไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของตนไม่ให้ครอบครองเงินไม่ให้รักษาเงินไว้กับตนให้ฝากไว้กับคนสนิทคนที่เชื่อถือได้นี่คือเรื่องของเงินทองที่เกี่ยวกับพระ พอมีเงินทางแล้วกิเลสมันจะออกมาเดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นดีไหมเดี๋ยวไปเที่ยวที่นี่ดีไหมเดี๋ยวไปซสื้อนู่นเสื้อนี่ที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อดีไหมยิ่งยุคปัจจุบันนี่มีของซื้อเยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยแบ่งเป็นสองสายสายที่เขาอนุโลมแบบให้รับเงินกับตนได้พกเก็บเงินไว้เองได้ก็มีบางวัด ก็ถวายเมื่อให้เงินกับพระได้เลยพระก็เก็บไว้ใสา่ย่ามจะไปไหนก็ไปได้เพราะเขาอ้างว่าอยู่ในเมืองเวลาบางทีอยู่วัดหนึ่งแต่ต้องไปเรียนหนังสืออีกวัดหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางจะหายาิโยมมารับส่งก็หายากเพราะสมัยนี้ญาติโยมก็ต้องไปทำงานกันหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเรียนหนังสือกัน ไม่เหมือนสมัยก่อนมีญาติโยมมีเวลามากเป็นชาวนาชาวไร่ทำนาเสร็จก็มีเวลาว่างก็ไปรับใช้พระได้แต่สมัยนี้ไม่มีเวลาไปรับใช้พระกันเพราะไหนจะต้องไปเรียนหนังสือเรียนจบก็จะต้องไปทำงานทำการกันก็เลยรับใช้พระแบบถวายเงินให้พระไปใช้เองก็แล้วกันก็เลยมีการอนุโลมข้อนี้ ในบางในในในสายของมหานิกายเขาก็อนุญาตให้พระรับเงินกับมือได้แล้วก็ไปใช้จ่ายได้บางทีจะขึ้นแท็กซี่อย่างนี้ก็จะได้มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่เพราะบางทีจะอยู่วัดหนึ่งแล้วต้องไปเรียนหนังสือที่อีกวัดหนึ่งมันก็เลยก็เลยต้องใช้เงินกัน ทีนี้พระบางรูปเขาก็ไม่ได้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลที่ควรเขาอยากจะไปซื้อของตามศูนย์การค้าบางทีเขาก็ไปกันมันก็เลยไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีใครมาคอยควบคุมดูแลไม่มีสารวัตพระไม่มีตำรวจพระมาคอยคอยจับพระหรือห้ามพระพระก็ที่บวชกัน ในยุคหลังๆก็ไม่มีการอบรมกันเพราะผู้ผู้บวชให้ก็ไม่มีเวลาะมัวแต่บวชมัวแต่รับกิจอย่างอื่นมีกิจนิมนต์กิจสังฆท า, านกิจอะไรร้อยแปดวันหนึ่งจะเวลาที่จะมาอบรมสั่งสอนพระเนนก็ไม่ค่อยมีพระเนน์บวชก็เลยอยู่กันตาม ตามคนอื่นองอื่นเขาทำยังไงก็ทำตามเข้าไปก็เลยมีการกระทำที่อาจจะไม่น่าดูไม่น่าเลื่อมใสเกิดขึ้นมาแต่ถ้าสายที่เขาไม่จับเงินจับทองเขาก็ค่อนข้างที่จ ะ, ะไม่มีปัญหาไปไหนก็อญ า, าติโยมสมขึ้นลด อังทีให้ส่งขึ้นรถจ่ายค่ารถให้สมัยที่เราบวชใหม่ๆไปวัดป่าบ้านตาดก็มีคนไปส่งขึ้นขึ้นรถไฟที่หัวลมโพงแล้วตอนเช้าก็มีคนรับที่อุดอรรับจากสถานนีรถไฟไปส่งที่วัดให้แต่มันค่อนข้างจะลำบากเพราะมันต้องรู้จักคนต้องประสานต้องติดต่อกัน ไม่คล่องแคล่วสะดวกถ้าถือเงินเองได้ก็ขึ้นแท็กซี่จากวัดไปหัวลาโพงจากหัวลาโพงไปถึงอู่ดอก็เรียกเรียกแท็กซี่ส่งไปที่วัดก็ได้มันก็เลยเป็นผู้ประสานบ้างแต่ก็ดีอย่างเพราะว่าการบวชนี้ไม่ต้องการให้ไปไหนไม่ต้องการให้ไปข้างนอกต้องการให้ไปข้างใน เพราะของดีอยู่ข้างในข้างนอกมีแต่ของไม่ดีข้างนอกมีแต่กองขยะข้างในนี้เป็นกองเงินกองทองอริมรักอริยามรักอริยผลนี่อยู่ข้างในอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ตาหูจะไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะแต่กิเลสก็โมหะอวิชชาความหลงมันดอกให้ไปคิดว่า ของดีอยู่ข้างนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลถั่พะก็เลยไปหารูปเสียงกันหาแล้วก็วุ่นวายเพราะรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่แน่นอนบางทีได้มาก็ดีใจเวลาไม่ได้มาก็เสียใจหรือเวลาได้มาแล้วพอมันหมดไปหายไปก็เสียใจก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อย เวลาหาบางทีก็ต้องมีมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นพระก็มีพระวินัยคอยห้ามข้อนั้นทำไม่ได้ข้อนี้ทำไม่ได้แต่ถ้าอยากทำมากๆก็อาจจะแหกข้อไปทำให้ขาดาทำให้ศีลวิบัติไปถ้าถ้าไม่อยากจะวิบัติก็ต้องลาศกขาไปเพราะเมื่อมีความอยากใน การที่จะไปข้างนอกไปหาลูกเสียงกินะ่นรสเนี่ยวิธีที่จะไปอย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายก็ต้องเป็นฆราวาสนะสมัยนี้จึงบวชกันไม่ได้นานนะบวชแล้วเดี๋ยวพอไม่มีกำลังดึงจิตให้เข้าข้างในมันอยากจะออกแต่ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยพอออกไ ป, ไปบ่อยๆเข้ามันก็อยากจะออกไปมากขึ้นมากขึ้นอยากจะทำอะไร ให้ควางขวางมากขึ้นก็จะขัดกับหลักพระวินัยก็เลยต้องลาศิขาไปเป็นอยากจะไปมีแฟนอย่างนี้ถ้าเป็นพระก็มีแฟนไม่ได้อยากจะไปหาเงินไปเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการเพราะรอรับเงินบอิจากอยางยากโยมมันไม่พอใช้ก็อยู่ไปก็ ไม่มีความสุขก็ลาสิกขากันพระสมัยนี้จึงบวชกันได้ไม่นานปัญสาอย่างนี้อย่างแทบจะหายากแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บวชกันถ้าบวชเพื่อทดแทนคุณคุณพ่อแม่ก็เดี๋ยวนี้สิบห้าวันเบ้าเจ็ดวันบ้างพอใจไม่อยากเข้าข้างในใจอยากจะอยู่ข้างนอก แต่มีธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาก็เลยต้องทำตามก็เลยทำแบบขอไปทีทำให้มันเสร็จภาระหน้าที่ของตนไปบางครอบครัวเขาบวชกันมาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายลูกหลานก็ต้องบวชตามมา ยุคปู่ย่าตายายเขาบวชพรรษากันสมัยก่อนนี้ธรรมเนียมเขาจะถือการบวชนี้อย่างน้อยก็บวชพรรษาหนึง่งบวดในช่วงเข้าพรรษาระยะเวลาสามเดือนแล้วอย่างแล้วพอออกพรรษาแล้วก็ยังเสร็จไม่ได้ต้องรอรับกะทินก่อนถึงจะครบครบสูตรของการบวช ถึงจะถือว่าได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีทดแทนเือนคุณให้กับพ่อกับแม่แต่สมัยนี้หนึ่งเวลาทำงานเวลาจะลาก็ไม่ได้สามเดือนบริษัทที่ไหนก็ไม่ให้ลาสามเดือนทางราชมีทางราชการเท่านั้นที่ตอนนี้ยังอนุญาตให้ลาได้ลาบวชได้สามเดือนอยู่แต่ถ้าเป็นทางบริษัทเอกชนนี่ ลาไม่ได้อย่างมากก็สิบห้าวันเดือนหนึ่งแล้วแต่ก็เลยเดี๋ยวนี้พวกที่ยังอยากจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณตามธรรมเนียมประเพณีก็เลยบวชได้ไม่ไม่นานเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างนี่คือเรื่องของของการเป็นพระ ทำอาเนียมมีไว้ก็ดีเพราะว่าจะได้ดึงคนเข้าวัดนึงคนเข้าวัดพอเข้าวัดจะได้มีโอกาสสัมผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ลองปฏิบัติตามคําสอนดูถ้าปฏิบัติได้อาจจะอยู่ไปนานเลยเช่นหลวงตาหมาบวชในตอนต้นท่านก็ไม่เคยคิดจะบวช ท่านก็มีพี่ชายหลายคนแต่ไม่มีใครก็อยากจะบวชคุณพ่อก็เลยบ่นต่อหน้าหลวงตาว่าไม่มีใครที่จะบวชให้พ่อให้แม่เลยมีมึงคนเดียวท่านให้บวชที่กูพอจะฝากผีฝากไขไว้กับมึงได้พอพูดท่านี้หลวงตาท่านก็เดินหนีนั่งกินข้าวอยู่ก็หนีเลยจะโยนภาลาให้กับตนนึ แต่หลังจากไปนั่งคบคิดอยู่สองสามวันก็บอกไปบวชมันก็ไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรไม่ตายซะหน่อยทำอะไรทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่แค่นี้ไม่ได้เลยไงก็เลยยอมตัดสินใจบวชให้พ่อให้แม่ไม่อยากจะบวชไม่เคยคิดอยากจะบวชแต่พ่อแม่ปารบขึ้นมามีลูกหลายคนก็พึ่งไม่ได้มีมึงคนเดียวนี่ก็เลย ตัดสินใจบวชบวชตาก็ตั้งตั้งเงื่อนไขว่าใครอย่ามาบังคับให้บวชกี่วนันกี่เดือนกี่ปีนะเออแม่ก็ฉลาดแม่บอกว่าถ้ามึงบวชแล้วออกจากบวชมึงจะสึกครูเก็ไม่ว่าแล้วท่านก็บอกแม่ฉลาดใครอยากจะบ้าสสกก็พอท่านบวชแล้วท่านก็เป็นคนจริงจังเอป็นคนทํำตามหน้าที่ พอเป็นพระรู้หน้าที่ของพระยังทําอะไรท่านก็ทําต้องเรียนหนังสือท่านก็ตั้งใจเรียนหนังสือพอเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอหรหันตสาวกต่างๆเรื่องของการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเคยรู้ก็รู้แบบไม่ลึกซึงแต่พอมาบวชได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังจากผู้รู้ มันก็ทำให้ท่านเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเริ่มเกิดศรัทธาขึ้นมา อ, อ่านเกี่ยวกับพาาระอรหันต์มากๆเข้ากันเลยอยากจะเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาที่ก็เลยตั้งใจเรียนตั้งใจที่จะไปปฏิบัติยิ่งพอได้ข่าวเรื่องของหลวงปู่มั่นว่ามีพาาระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็เลยอยากจะไปพบอยากจะไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานพอเรียนจบสามสามประโยคบาลีท่านก็จะหยุดเรียนแล้วท่านก็จะไปหาหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติกับท่านท่านก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆบวชไปเรื่อยๆทั้งทั้งที่ตอนต้นท่านก็ไม่เคยคิดว่าจะบวชไม่อยากจะบวชแต่พอได้เข้าไปสู่ระบบเข้าไปสัมผัสรับรู้กับ เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างอย่างจริงๆเห็นเหตุเห็นผลเริ่มเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เราเพียงแต่ไปคิดไปเองว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังคนสมัยนี้ยุคนี้ก็คิดว่าการจะไปนิพพานนี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนต้องเป็นคนระดับไหนก็ไม่ทราบถึงจะไปได้ แต่ความจริงพอได้ศึกษาเข้าจริงๆแล้วมันได้ทุกคน่ะใครก็ไปได้ถ้ามีศรัทธามีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ไม่ใช่เป็นของที่มันมันเหนือวิสัยของคนทั่วไปที่จะปฏิบัติได้รักษาศีลทาไมมันจะรักษาไม่ได้ศีลห้าข้อเ น, นี่ยศีลแปดเนี่ย สิสองร้อยีิบเจ็ดมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นระเบียบมากกว่ากฎระเบียบสีลจริงๆของพระก็มีแค่สี่ข้อใหญ่ๆ่นเงเหมือนกับสีห้าของญาติโยมพระก็ห้ามฆ่าห้ามลักทรัพย์ห้ามโกหกหลอกลวงแล้วก็ห้ามร่วมหลับนอนกับศีกาเท่านั้นเองที่เป็นสิล ที่เป็นศีลจริงๆของพระนอกนั้นก็เป็นข้อระเบียบกฎระเบียบวิธีปฏิบัติตอนให้สวยงามอยู่ร่วมกันอยู่กันอย่างไรไม่ให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อกันและกันอันนี้ก็พอได้ศึกษาจริงๆแล้วก็ว่ามันก็ไม่ยากศีลก็รักษาอยู่บางคนก็รักษาอยู่แล้วเสียได้ซ้าไปแล้วพอมา เรียนวิธีฝึกสมาธิก็มันก็ไม่ยากเี่ยก็เพียงแต่ให้ฝึกสติไปก่อนให้พุโทโธพุธโทโธไปคำเดียวมันจะยากตรงไหน่ะให้ตอนเลือกถึงพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดฟุง้งซ่านถ้าทำตามที่พระเจ้าสอนจริงๆมันก็ไม่ยากเย็นตรงไหนแต่มันไม่ชอบทำกันมันก็เลยกลายเป็นของยากไป นี่คือถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะรู้สึกว่ายากแต่พอเราเข้าไปสู่ข้างในเข้าไปเรียนรู้เหมือนเมื่อก่อนตอนที่เราเริ่มต้นเรียนหนังสือใหม่ๆล้วมองถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็บอก ว, ว่ามันเกินความสามารถของเราเราอยู่ปชั้นประถมนี่ไปคิดถึงระดับปริญญาตรีก็มันก็รู้สึกว่ามันไกลกว่าที่เราจะเอื้อมถึง แต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆพะจากประถมไปสู่มัธยมพอจบมัธยมปลายมันก็สามารถสอบเข้าได้เนี่ยพอสอบเข้าได้ก็ยังเรียนต่อได้มันก็เรียนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบปริญญาของมันเองอย่างมันไม่ยากเย็นเกินความสามารถของมนุษย์อเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่สอนต่อต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่คิดจะไม่สอน เพราะตอนต้นก็คิดว่ามันเกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไปแต่พอมานั่งคิดดูเปรียบมานั่งพิจารณาดูก็มีพวกที่เขาปฏิบัติได้พวกดูสีชีพรยต่างๆเขาก็รักษาศีลกันเขาก็ฝึกสมาธิได้ชาญกันเพียงแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ไม่มีก็คือปัญญาเขาไม่มีดวงตาเห็นอริยสัจสีนั่นเองก็ไม่เข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไร มีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่สรงค้นพบความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าก็คิดว่าถ้าไปบอกความจริงอันนี้ให้กับพวกนี้พอเขารับรู้แล้วเขาก็จะต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ท่านก็เลยเปลี่ยนใจจากตอนต้นจากที่จะไม่อยากจะสอนใครพอตอนต้นคิดถึงคนทั่วไปคนที่ยัง ติดอยู่กับความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่จะไปสอนให้เขามารักษาศีลสอนให้เขามานั่งสมาธินี่เขาคงไม่เอากันแต่ท่านลืมไปว่ามันมีพวกที่พวกที่รักษาศีลได้ก็มีนั่งสมาธิได้ก็มีท่านก็เลยเห็นว่าอยังมีพวกที่พอจะสอนได้หรือพวกที่ อย่างรักษาศีลไม่ได้แต่ก็อยากจะรักษาอยากจะเรียนรู้อยากจ ะ, ะก็มีอยู่หลายพวกด้วยกันจึงแบ่งเป็นพวกบัวศีเลเราพวกที่ไม่เอาเลยก็มีพวกที่ยาวแต่สนุกสนานเทาหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายไม่เอาเรื่องทำบุญรักษาศีลพวกนี้ก็ต้องตัดไปแต่พวกที่ยังมีความ ศรัทธาความเชื่อในบุญในศีลอยู่ก็มีอยู่ก็เลยเลือกสอนพวกที่พอจะสอนได้ <Yeah. S 1> ตอนต้นก็มุ่งไปสอนพวกที่ฉลาดที่พวกที่มีความสามารถที่จะรับประโยชน์ได้ทันทีพวกที่มีศีลแล้วพวกที่มีสมาธิแล้วคือพวกที่เป็นนักบวชพอแสดงปัญญาให้เขาฟังเขาก็เอามาใช้ได้ทันที ฟังทำเสร็จก็บรรลุเป็นพระสโสดาบันขึ้นมา อ, องค์แรกพระัญญาโกลธัญญาเข้าใจแล้วว่าอที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้ร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาอใจก็หายทุกอใจอยู่กับ ความแก่ความเจ็บความตายได้นีรพอใจหยุดความอยากได้ใจมีสมาธิมีสติที่จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แต่พวกเรานี้ยังไม่มีสมาธิกันถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ยังไม่ยอมยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ผู้ที่มีสมาธิแล้วเขาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เขายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เขาเฉยได้พอเขาเฉยเขาก็ไม่ทุกข์เขาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะเขามีปัญญารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เอง แล้วความจริงคือร่างกายห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยากไปยังไงก็ทุกอยากไปมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเหมือนเดิมยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จะแก่เจ็บตายแบบไหนแบบทุกข์ก็ได้แบบไม่ทุกข์ก็ได้แบบไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ทำใจให้เฉยๆอยู่กับมันไปมันแก่ก็อยู่กับมันไปมันเจ็บก็อยู่กับมันไปมันตายก็อยู่กับมันไปอย่าไปทำอะไรมันไม่ใช่มันไม่มันแก่แต่ยังไม่ตายก็ไปทำให้มันตายก็มีลกที่แก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วหาความสุขไม่ได้ก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นกิเลสอยากจะตายก็เป็นกิเลสอยากจะอยู่ก็เป็นกิเลสทุก อยากจะตายก็ทุกข์อยากจะอยู่ก็ทุกข์ยนันต้องไม่มีความอยากทั้งสองอยา่างอยู่ตรงกลางถ้ามันยังอยู่ก็อยู่ไปอย่าไปอยากตายถ้ามันจะตายก็อย่าไปอยากอยู่แล้วก็จะไม่ทุกข์จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาอุเบกขาเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาอุเบกขาก็จะเกิดขึ้น พอมีอเบคาแล้วเทนี้ก็สามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปถือไปติดไปอยากได้พอเราปล่อยวางมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราไม่เดือดร้อนมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปไม่ว่าแต่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็เรื่องของเขา ของภายนอกก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปมันจะมาก็ให้มันมาแต่เราไม่ไปวุ่นวายไปกับมันพอเราไม่ต้องใช้มันแล้วถ้าเรามีสมาธิมีอุบเบกขาเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆ ท, ที่เรา ต้องไปใช้ร่างกายเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบก็เลยต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกนิ้วมือพอตาหูจมูกนิ้วมือจะทําไม่สามารถทําได้เราก็ทุกข์กันไม่อยากจะให้ร่างกายแก่ไม่อยากจะให้ร่างกายเจ็บ พอเวลามันแก่มันเจ็บไปใช้มันไม่ได้มันใช้มันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เราเลยรักเราเลยหวงร่างกายนี้มากแต่รักยังไงหวงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราจะไม่ทุกข์เราก็ต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมะมาหัดทาใจให้สงบอใช้ความสงบเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราะ พอเรามีความสงบเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้มันแล้วเรามีความสุขที่ดีกว่าเสียได้ซ้ําไปความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจะมีราคาเป็นกี่ล้านกี่แสนล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยให้เขาเกิดปล่อยให้เขาดับได้ไม่เดือดร้อน จะเจริญลาบก็ปล่อยให้มันจเจริญไปจะเสื่อมลาบก็ปล่อยให้มันเสื่อมไปจะเจริญยศก็ปล่อยให้มันจเจริญไปถ้าเขาอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อมตานานก็ให้เขาเลื่อนไปถ้าเขาอยากจะปลดก็ปล่อยเขาปลดไปไม่ได้มีความยินดียินร้ายกับราบยศสรรเสริญไม่มีความยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสนะถ้าใจมีความสงบมีความสุขในตัวเอง จะปล่อยวางได้หมดถ้ารู้ด้วยปัญญาว่าความทุกข์เกิดจากการไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองอนี่คือเรื่องของปัญญาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงพวกที่มีความสามารถจะปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้ถ้ามีสมาธิปล่อยวางได้ก็บรรลุได้ ถ้าไม่มีก็ต้องไปฝึกสมาธิกันเ อ, อพอมีสมาธิแล้วก็พอเกิดความอยากก็หยุดมันได้เ อ, อพอหยุดได้ความทุกข์ก็จะหายไป อ, อคุณยากเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดจากฟังคำธรรมนี่แหละต้องฟังธรรมเหมือนไปเรียนหนังสือที่มหาลัยก็ต้องไปเรียนจากครูจากอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปทําการบ้านเพื่อไม่ให้ลืมเข้ยาใจไหม ฟังหนเดียวมันลืมอาจารย์เลยบอกให้ไปทำการบ้านทำหลายๆครั้งมันก็จะจำได้แล้วพอไปสอบก็จะสอบได้ปัญญาขั้นต้นต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังจากผู้ผู้ที่เขารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปเรียนรู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้กันว่าอริยสัจ ส, สี่เป็นอย่างไรไม่รู้ว่าไตลักเป็นอย่างไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไร ก็ต้องไปเรียนจากผู้รู้พอเรียนรู้แล้วก็ต้องเอามาจดมาจำเอามาทดทวนทบทวนอยู่เรื่อยๆมาพิจารณาอยู่เนืองๆนะธรรมะที่พระเจ้าสอนนี้มักจะสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเช่นอนิจจังคือร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นปัญญา แต่เรามักจะลืมกันเพราะอะไรเพราะเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันก็แสดงว่าลืมแล้วลืมแล้วว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องมาคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอคิดบ่อยๆความอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ต้องหยุดไปแต่ถ้าไม่หยุดก็รู้ว่าต้องหยุดต้องทำให้มันหยุดก็ต้องไปทาสมาธิ พอไปทําสมาธิมันก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถึงแม้จะรู้ว่าไม่ควรที่จะอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ยังหยุดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยเลยต้องไปทําสมาธิด้วยขณะที่ทําสมาธิอยู่เนี่ยเราควรจะคิดค่ควรพิจารณาจากการได้ฟังมาแล้วหรือไม่ไม่ไม่เวลาทําสมาธิก็ทําให้จิตสงบคนละเวลากัน ทำสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดอพอหยุดความคิดได้แล้วเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้ายังจําไม่ได้ยังหนง่ยังลืมอยู่ก็ต้องคอยจดคอยพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาตอนที่ไม่ได้ทําสมาธิตอนสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดนั้นไปทําตอนสมาธิความคิดมันก็จะไม่มีวันหยุดสมาธิก็จะไม่เกิด พอถึงเวลาจะหยุดความคิดหยุดความอยากก็จะหยุดไม่ได้นี่ <Yeah. S 1> มันเป็นการเรียนคนละวาละคนละคาบกันสมาธิก็เป็นคาบหนึ่งปัญญาก็เป็นอีกคาบหนึ่งมันมาเรียนปนกันไม่ได้ <Yeah. S 1> ต้องแยกกันทำถ้าอยากจะทำสมาธิก็วางปัญญาไว้ก่อนถ้าอยากจ ะ, จะเจริญปัญญาก็วางสมาธิไว้ก่อนไม่ทำพร้อมกันทั้งสองอยา่างมันทาพร้อมกันไม่ได้ เพรอันหนึ่งให้หยุดอันหนึ่งให้ให้คิดเนี่ยมันจึงต้องแยกทํากันขั้นต้นต้องต้องหัดหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าไม่มีกําลังจะหยุดคิดใจมันจะคิดแต่มันจะคิดไปทางกิเลสไม่ใช่คิดไปทางปัญญาคิดไปตามความอยากอยากรวยอยากมีอายุยืนยาวนานอยากมีสุขภาพแข็งแรงเอันนี้คิดแบบกิเลสคิด คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาคิดกันอย่างนี้นใช่ไหมเม้แต่เวลามาหาพระยังต้องให้พระโกหกว่าขอให้มีอายุยืนยาวนาน <c oughs> พระก็ต้องโกหกไปตามความอยากของญาติโยมถ้าพระจะบอกว่าโยมเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโยมก็ดา่าใช่ไหมพูดความจริงก็โดนดา่าก็เลยต้องโกหกกันขอให้โยมมีความสุขความเจริญอยู่ไปร้อยปีพันปีถ้าอย่างนี้โอ้โหสาทุกกันใหญ่ ถึงแม้จะโกหกก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าพูดความจริงแล้วด่าเลยพ้าอะไรวะมาแช่งให้เราตายหนัวใช่มนี่แหละงั้นตอนต้นเราต้องมาหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนความคิดผิดความคิดที่อยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นความคิดผิดพอเราหยุดมันได้แล้วทีนี้เราก็สอนให้มันคิดไปในทางความจริงคิดว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ อันนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วเวลาที่ฝึกสมาธิฝึกเพื่อหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนพอเราสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้แล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปในในความคิดที่ดีได้ความคิดที่ดีก็เป็นปัญญาความคิดที่ไม่ดีก็เป็นกิเลสตอนนี้เรามีแต่ความคิดไม่ดีคิดแต่อยากจะอยู่อยากจะรวยอยากจะมีความสุขไปไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งมันไม่เป็นความจริงมันเป็นไปไม่ได้เราต้องหยุดความคิดเหล่านี้พอหยุดความคิดได้มันก็ได้ทั้งได้ความสงบด้วยได้ความสุขที่จะทำให้เร า, เาไม่ต้องมาอาศัยร่างกายหาความสุขได้เพราะความสุขทางร่างกายมันไม่มันไม่ถาวรมันชั่วคราว ช่วงขณะที่มีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหาความสุขได้พอเราได้ความสุขที่ของใจนี้เราก็จะรู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้ไปตลอดแล้ะเพราะเรารู้ว่าใจของเราไม่ตายเหมือนกับร่างกายเราก็เลยเลิกพึ่งร่างกายได้เราก็เลยเลิกคิดไปในทางที่ผิดได้คิดไป คิดให้ร่างกายอยู่ไปนานๆคิดให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคิดให้ร่างกายแข็งแรงก็ไม่คิดให้เสียเวลาแล้วเพราะมาคิดทางความเป็นจริงมันก็รู้ว่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นของไข่ของหมอของพยาบาลของเจ้าของบริษัทเภสิ ย, ยามันก็ไม่สามารถรักษาให้ร่างกายอยู่แบบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้มันแก่ได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้มันตายได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครในที่สุดมันก็ต้องตายไปมันก็จะคิดอยู่ว่ายอมตายดีกว่ายอมเจ็บดีกว่ายอมแก่ดีกว่าเพราะยอมแล้วสบายไม่ใจไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะไม่ยอมต่อต้านต่อสู้ยิ่งต่อต้านยิ่งต่อสู้ยิ่งเหนื่อ ย, อยนั้นอยู่กับมันดีกว่าอยู่ตามสภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูแลร่างกายก็ดูแลไปตาม ความเหมาะสมก็ให้มันมีอาหารมีอาการมีการพักผ่อนหลับนอนมีการออกกาลังกายมีอะไรที่เหมาะสมกับการดูแลร่างกายก็ดูแลไปแต่เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องแก่มันก็ต้องแก่ถึงเวลามันจะต้องเจ็บไข้มันก็ต้องเจ็บไข้ถึงเวลามันจะตายก็ต้องตายก็ต้องก็ต้องยอมรับมันเท่านั้นเองไม่ต่อต้านไม่ฝืน ความจริงยอมรับความจริงด้วยการทำใจให้เป็นอุเบกขาเฉยๆไปใจก็จะไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะไม่เฉยพอใจไม่เฉยใจก็จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเอนี่ก็ทางปฏิบัติความรู้ทางาทางพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ที่ต้องมีสมาธิด้วยถึงจะสมฤทธิผล ไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกนี่เพียงแต่ให้จดจำได้พอไปสอบก็จะสอบได้แต่ความรู้ทางพุทธศาสนานี่ถึงแม้จะจำได้แต่ถ้าไม่มีกำลังหยุดความอยากก็ไม่สามารถสามลิดผลได้สอบไม่ผ่านถ้ายังจำได้ว่าต้องเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้จะปากจะบอกว่ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย แต่พอมันเจอความเจ็บจริงๆมันก็ร้องขึ้นมามันอ่มั น, มนอันนี้ก็สแสดงว่ามันหยุดความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ได้อยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บมันก็เลยทรมานแต่ถ้าทำใจให้เฉยๆได้มันก็จะไม่ทรมานเหมือนเวลาไปหาหมอถ้าหมอจะฉีดยาถ้าทำใจเฉยๆก็ไม่ไม่เดือดร้อนหมอจะฉีดก็ฉีดไปพวกที่ไม่ชอบฉีดยานี่โใจปั่นป่วนขึ้นมาแล้ว หมอยังไม่ทันเอาเข็มมาเจาะเลยเพียงแต่พูดว่าจะฉีด ย, าย้ายสักเข็มนึงใจก็เป็นไปแล้วใจก็ทุกไปแล้วแต่พวกที่เขามีอุบเบกขาเขาก็เฉยเฉยไปทำใจเฉยเฉยไปฉีดก็ฉีดเจ็บก็เจ็บมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็ผ่านไปอั น, น, นี่คือเรื่องของปัญญาทางาศาสนาพุทธนี้เป็นปัญญาที่จะต้อง มีสมาธิเป็นองค์ประกอบถึงจะสามารถทำประโยชน์ตามหน้าที่ของปัญญาได้ก็คือละตัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ถ้าไม่มีสมาธิเป็นองค์ประกอบละไม่ได้ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็จะไม่รู้ว่าปัญหาที่ทำให้เราทุกข์เกิดจากอะไรก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่หยุดตัญหา เพราะไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์พวกที่เขาได้สมาธิกันในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็ยังทุกข์อยู่เพียงแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในสมาธิเขาไม่ทุกข์เท่านั้นเองเพราะตอนนั้นความคิดหยุดไปความอยากหยุดไปแต่เขาไม่รู้ว่าที่ไม่ทุกข์เพราะว่าความอยากไม่ทำงาน พอออกมาจากสมาธิพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ไม่สบายขึ้นมาใจใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนี้นี่มีพระพุทธเจ้าสองคนพบว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วใจเกิดความทุกข์สังเกตทีไรก็ทุกข์เพราะความอยากันะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่หรือ อยากไม่มีนั่นไม่มีนี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาสังเกตดูท่านก็เลยเห็นว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพออยากแล้วใจก็สั่นคนอยากจะสูบบุหรี่นี่ พอไม่ได้สูบบุหรี่มือมัสันใจสันนะแต่ถ้ามีสติหยุดเันได้หยุดใจสันได้ทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้มีสมาธิก็สั่งให้มันอยู่เฉยๆให้มันอยู่นิ่งๆได้มันก็จะไม่ทรมานแล้วมันก็จะฝืนความอยากได้แต่ถ้าคนไม่มีสมาธิฝืนไม่ได้อยากมากๆเดี๋ยวก็ต้องไปหยุดบุหรี่มาสูบจนได้มันถึงจะหายสัน แต่มันหายสั่นเดียวเดียวเดียวมันอยากใหม่ขึ้นมามันก็สั่นขึ้นมาอีกนะนั้นทางศาสนาพูทนี้ปัญญาอย่างเดียวจึงไม่พอปัญญาต้องมีสมาธิเป็นองค์ประกอบเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถสู้ความอยากละความอยากได้ การจะทำลายความอยากก็คือไม่ไม่ทำตามความอยากเวลามันอยากก็หยุดมันด้วยสมาธิหยุดด้วยสติทำใจให้สงบพนิง่งแล้วความอยากที่จะไปทำนูน่นทํานี่ก็จะหยุดไปพอหยุดไปต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาพออยากที่ไรก็ไม่ได้ทำทักทีมันก็เลยไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาทำไมเมันคนที่อยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่สูบ เดี๋ยวต่อไปความอยากสู่บเรมันก็หายไปนี่คือเรื่องของปัญญาของทางพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาตัดสรุปมาสอนพวกเราจะไม่มีปัญญาทางทางนี้กันจะมีปัญญาทางโลกทางโลกเราก็ไปเรียนจากผู้อื่นใช่ส่วนใหญ่เราเรียนจากผู้อื่นน้น นอกจากคนที่ฉลาดจริงๆนั้นถึงจะสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ด้วยตนเองก่อนยุคแรกๆที่เขาคิดค้นความรู้ต่างๆขึ้นมานักวิทย า, าศาสตร์นักดาร า, าศาสตร์หรืออะไรต่างๆเขาไม่มีใครสอนเขาอาศัยความความวิเคราะห์พิจารณาถามตนเองว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เช่นนิวตัน Newton ก็ถามว่าทำไมแอปเปิ้ลมันถึงโลวงลงมาจากต้นมันทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปในท้องฟ้าคิดไปคิดมาก็ต้องมีอะไรดึงมันลงมาสิใช่ไหมไม่มีอะไรมันดึงมันขึ้นไปมีแต่ดึงมันลงมาแล้วเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ติดกับดิ น, น, นไม่มีอะไรลอยขึ้นไปจากดินก็สแสดงว่าต้องมีอะไรดึงมันให้ลงมาให้อยู่กับดินอยู่กับพื้นดิน เขาก็เลยเรียกว่ามีแรงดึงดูดของโลกเนี่ก็เลยได้ค้นคว้าว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ติดกับพื้นดินถ้าเราสามารถกําจัดแรงดึงดูดได้หรือเราสามารถสร้างแรงดึงดูดที่ดึงสิ่งต่างๆให้ลอยขึ้นไปถ้ามันมีกําลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันก็ลอยขึ้นไปได้ก็เลยคิดค้นจรวจคิดค้นเครื่องบินกันเอ มีใบพัดหมุนๆเขาเดี๋ยวหมุนมันมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงให้คนลอยขึ้นไปได้ท่านทำให้สิ่งต่างๆลอยขึ้นไปได้อันนี้ก็เกิดจากการค้นคว้าด้วยความคิดพอคิดแล้วก็มาสอนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดเขาก็เอาความรู้นี่มาต่อ ย, ยอดมารู้แล้วว่าถ้าอยากจะให้ของลอยขึ้ น, นก็ต้องหาหากำลังอะไรมาดึงของในพวกนี้ให้มันดึงขึ้นไป ก็เลยคิดค้นวิธีก็มีใบพกใบพัดอะไรต่างๆ <Yeah. S 1> พอมีใบพัดมันก็สามารถทําให้ดึงของที่อยู่ติดกับพื้นดินให้ลอยขึ้นไปได้ yeah. <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นความรู้แต่เป็นความรู้ทางโลก <Yeah. S 1> พวกเราส่วนใหญ่นี้ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใช่ไหม <Yeah. S 1> เราไปเรียนรู้จากครูจากอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เือเรียนรู้หัดอ่านออกเขียนได้ขึ้นไปอนุบาล ปหนึ่งขึ้นไปจนถึงมหาลัยก็เรียนรู้จากผู้อื่นทั้งนั้นเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนเองมีคนเขาเอาความรู้ต่างๆมารวบรวมไว้สอนเป็นหลักสูตรทางศาสนาพูดก็เหมือนกันพวกเราพอมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบหลักสูตรของพระพุทธศาสนา พวกเราก็เพ่งไปเรียนต่อจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้เรียนจบแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ช่วยพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนผู้อื่นต่อไปนั้นความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราไม่มีวันที่จะรู้เองได้อริยาาสัจสี่นี่ถ้าไม่มีใครมาสอนนี้เราจะไม่มีวันรู้ได้ถึงแม้จะมีคนสอนแล้วก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงแม้อริยสัจสื่อสอนว่าที่เราไม่สบายใจกันที่เราทุกข์ใจกันก็เพราะเราอยากกันท่านั้นเองอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็ไม่สบายใจพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราพอเสียมันไปก็เสียใจอีกก็เป็นความอยากเอง ถ้าเราไม่อยากจะเสียใจแล้วไม่อยากจะไม่สบายใจเราก็ต้องอย่าไปอยากมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคิดอย่างนี้ทําไปอทําไปเพราะถ้าเรายังมีความจําเป็นยังต้องมีมันก็ก็ทํามันไปถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ดีไม่ได้ก็อยู่ได้ไม่มีมันได้ก็ไม่ต้องมีมันก็ได้ถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องมีความอยากกับอะไร เราทุกสิ่งที่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี้เพราะมันจะเราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขกันแต่ได้อะไรมาแล้วมันก็สุขเดียวเดียวสุขแล้วเดียวมันก็หายไปแล้วก็ทำให้เราอยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรามาฝึกจิตทำจิตให้สงบเราได้ความสงบแล้วมันอิ่มมันจะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้หลายใจมันก็จะไม่วุ่นวาย จะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันก็ไม่วุ่นวายจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งมันก็ไม่วุ่นวายมันอยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่แบบไม่มีลาภยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้ถ้ามีความสงบถ้ามีความสงบก็จะหยุดความอยากต่างๆได้นอกจากลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเรายัง ไปติดอยู่กับร่างกายอยู่ยังอยากอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆอยู่ก็ยังจะทำให้เราทุกข์ได้อยู่ถ้าร่างกายเป็นอะไรถ้าเราหยุดความอยากให้มันไม่เป็นไม่ได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้ามันจะเป็นเราก็ปล่อยมันเป็นไปไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเราก็เป็นก็เป็นถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราจะไม่ทุกข์ ใจจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นก็เป็นรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วด้วยการฝึกทำจิตให้เป็นอุเบกขาพอมันเป็นเราก็เฉยเฉยไปเพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นเองใจก็ไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นมันก็จะไม่ทุกข์อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะอยู่ไม่ได้ อย่างมากก็หมดลมหายใจก็หยุดหายใจก็สบายไม่ต้องหายใจมันสบายกว่าหายใจไหมหายใจนิดเหนื่อยนะต้องหายใจทุกวันอยู่หายใจได้มันน่าจะสบายกว่านะน่็หายใจมันทาไมอยู่แบบไม่หายใจดีกว่าจิตที่มีความสงบแล้วไม่ต้องหายใจก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่ก็คือเรื่องของ เรื่องของปัญญาของพระพุทธศาสนาขั้นต้นต้องศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนองค์ใดองค์หนึ่งแล้วนะแต่เราจะพบองค์ในก็ศึกษาจากนั้นถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็กมีพระธรรมคบสอนเป็นตัวแทนมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวแทนเราก็ศึกษาจากท่าน เ่หลวงปู่เราอยากจะศึกษาจากหลวงปู่ชอบก็มีหนังสือหลวงปู่ชอบมีคำสอนบันทึกเอาไว้มีประวัติเราก็ศึกษาไปแล้วเราก็จะได้เร่องรู้วิธีที่เราจ ะ, ะปฏิบัติตัวเราเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องศึกษาจากผู้รู้ก่อนต้องมีครูมีอาจารย์ถ้าปฏิบัติเองนี้หลงทาง นล แ, แทนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะติดอยู่กับความทุกข์แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีครูอาจารย์อยู่กับเราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ก็มีไว้สําหรับเป็นที่คอยบอกคอยชี้ถ้าเราปฏิบัติไปเราสงสัยอะไรถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะถามก็เปิดหนังสืออ่านไปอ่านไปเดี๋ยวก็จะอาจจะเจอคําตอบ ต้องมีผู้นําทางเราเป็นเหมือนคนตาบอดถ้าไปเองคําไปเองมันช้าคําผิดคําถูกคนตาบอดถ้ามีคนนําทางมันไปได้ง่ายสะดวกแต่ต้องแต่ถ้าต้องคําไปเองเห็นไหมมีไม้เท้าอันหนึง่งกิ๊กแกๆกเคาะเคาะทางไปเรื่อยเนะมื่อไหร่จะไปถึงแต่ถ้ามีคนนําทางไม่ต้องมาเคาะไม้เสียเวลาเดินตามเขาเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวา เดี๋ยวก็ถึงพวกเราโชคดีตอนนี้เรายังมีครูมีอาจารย์อยู่ยังมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่พระธรรมก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากไปท่านก็สั่งไว้แล้วบอกว่าธรรมวินยัยคําสอนของเรานี้จะเป็นตัวแทนของเราเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าศจากศาสดา พวกเราจะไม่ได้อยู่ป่าสะจากพระพุทธเจ้าตามใดที่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อ, อยู่ในโลกนี้อยู่หรือถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนก็มีพระอริยสงสาวกที่สามารถจะสอนได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่อาจจะไม่กว้างขวางอาจจะไม่ละเอียดเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ก็สามารถสอนได้เช่นครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็สอนไม่ละเอียดบ า, บางรูปก็สอนละเอียดน รูปไหนที่สอนละเอียดก็จะมีลูกศิษย์เยอะรูปไหนที่มีสอนไม่ละเอียดก็จะมีลูกศิษย์น้อยเพราะเข้าใจยากถ้าได้อาจารย์ที่สอนเก่งก็จะมีลูกศิษย์เยอะเพราะสอนง่ายสอนแล้วคนฟังแล้วเข้าใจง่ายนำมาไปปฏิบัติได้ง่ายก็จะมีลูกศิษย์เยอะเพราะความสามารถในการสั่งสอนของแต่ละคนไม่ไมเท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันกําจัดกิเลส ได้หมดไปจากใจเหมือนกันแต่ความสามารถในการสั่งสอนนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับการกำจัดกิเลสการความสามารถในการสั่งสอนนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์บางคนมีการศึกษาทางโลกมาก่อนพอามาลุ้แล้วมาสอนก็สามารถเอาความรู้ทางโลกนี้ผสมผสานมาสอนกับธรรมะได้ บางคนเป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีการศึกษากว้างขวางก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมายกเป็นตัวอย่างมาสอนคนฟังก็อาจจะเข้าใจยากเพอาฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านจึงสั่งสอนไม่ไม่กว้างขวางเท่ากันบางองค์ก็กว้างขวางมากบางองค์ก็ไม่กว้างขวางออก็แล้วแต่ความสามารถในการที่จะออแจกแจง บรรยายขยายความให้คนที่ฟังนั้นเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจได้ยังมีความแตกต่างกันในทางนี้แต่เรื่องของความบริสุทธิ์ของจิตใจนี่เหมือนกันหมดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันหมดหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันหมดถึงนิพพานเท่ากันหมดแต่เวลามาสอนคนนี้สอนไม่เท่ากันเพราะความสามารถที่จะสอนไม่ไม่มีไม่เท่ากัน บางรูปไม่ค่อยสอนเลยอย่างหลวงปู่ม่านกับหลวงปู่สาวนี่ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ระดับเดียวกันหลวงปู่ม่านนี่มีลูกศิษย์เยอะเพราะท่านสอนเก่งหลวงปู่สาวไม่มีลูกศิษย์มากเพราะท่านสอนแบบแคบแคบแบบไม้ใแบบฟืนทั้งดุน่อลศีล ส, สมาธิปัญญาเนะอะแค่นี้ก็จบะ แต่หลวงปู่มัานท่านจะอธิบายว่าศีลเป็นยังไงมีอะไรสมาธิจะเกิดได้อย่างไรจะต้องทำอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมันก็ทำให้คนเรียนรู้มันเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลเร็วกว่านี่ได้ง่ายกว่ากว่าการที่จะต้องมาคิดว่าศีลเป็นยังไงบ้างปัญญาเป็นยังไงบ้างสมาธิเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน ก็สรุปว่าต้องเรียนนะต้องศึกษาบางคนศึกษามีความฉลาดมากศึกษาได้ยินได้ฟังสองสามคำเข้าใจนำบาไปปฏิบัติได้เลยบางคนต้องฟังหลายๆรอบถึงจะเข้าใจถึงจะนามาไปปฏิบัติได้อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของคนเรียนเองคนเรียนถ้าปัญญาทึบก็ช้าคนไหนที่ปัญญาแหลมคงก็เร็ว เหมือนเด็กนักเรียนในห้องที่เราสอนใช่ไหมมีเด็กตั้งแต่สองจุดขึ้นไปถึงสี่จุดเนี่ยเด็กที่มีปัญญาเร็วก็เรียนรู้เข้าใจเร็วจาได้ทำข้อสอบได้คนที่เรียนแล้วจาไม่ได้ฟังไม่เข้าใจก็จะทำข้อสอบไม่ได้ก็ได้คะแนนไม่ดีต่างกันไปมีอยู่ในสังคมคนเรามีปะปนกัน คนที่มีความฉลาดแหลมคมกับคนที่มีปัญญาทึบเนี่ยมันก็ปนกันอยู่นักเรียนจึงมีระดับต่างกันคะแนนต่างกันขึ้นอยู่ที่ระดับสติปัญญาที่จะรับความรู้จากผู้อื่นนี่ก็สรุปแล้วก็ตามวัตถุศาสนาก็ต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ รู้อย่างเดียวแต่ถ้ายังไม่มีการปฏิบัติก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ความทุกข์อยู่ใน ใ, นใจนี้ต้องกำจัดด้วยสมาธิโดยมีปัญญาเป็นผู้ชี้เป้าบอกให้ไปกำจัดตัวไหนไม่ต้องกำจัดตัวไหนความอยากแบบไหนกำจัดความอยากแบบไหนไม่ต้องกำจัดถ้าอยากจะทำบุญอยากจะไปภาวนานี้ไม่ต้องกาจัด ถ้าอยากไปเที่ยวนี้ต้องกำจัดอยากจะไปช้อปปิ้งนี้ต้องกำจัดอยากจะไปหาความสุขทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายนี้ต้องกำจัดเออันนี้ต้องมีคนสอนถึงจะรู้เห็นบางคนก็บอกนี้ถ้าความอยากเป็นต้นเหตุของควาทุกข์หมดนี้อยากทำบุญก็ก็เป็นกิเลสสอยากไปที่อยากไปปฏิบัติธรรมก็เป็นกิเลสไม่เป็นอความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นธรรมก็มีเอ ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้จะขออนุมโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปารุปเรนติสาวกลังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานางังอุ ป, ปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสาพเพปุเรนตุสังกปา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 จตโรธัมมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา412ครับ YouTube 149วิทยุ23มาฟังข้างบนนี้38คน ทั้งหมด622ครับ622ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ถ้าบุญสลานี้เดี๋ยวขอมาเอาไม้ไปพูดหน่อยกพจะได้ยินเสียงจะได้ยินคำถามกลับเียนพระอาจารย์ครับข อ, ข อ, ขอผมขอญาตสอบถามสองเรื่องครับ เกี่ยวกับเรื่องกรรมครับผมมีข้อสงสัยในธรรมสองเรื่องเรื่องแรกคือถ้าถ้ากรรมเนี่ยเป็นการกระทาของแต่ละบุคคลครับ <Okay. S 1> ไม่สามารถมีใครจะทำอะไรให้ใครได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคือการกระทาของเราเองเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้น <Okay. S 1> ก็เลยมีข้อสงสัยครับในเรื่องของ การเล่นของครับอย่างเช่นการเสกตะปูเข้าท้องการน้ามันพลายการทำาสน่ให้กับไปไปถูกคนต่างๆซึ่งคนเหล่านั้นได้รับผลได้รับความเจ็บปวดไม่ทราบว่าอย่างนี้เป็นกรรมหรือว่ามันไม่สามารถทำได้ครับเราเราปืนไปยิงคนอื่นทำได้หรือเปล่าทำได้ ก็เหมือนกับเศษตะปูเข้าท้องคนอื่นมันก็เหมือนกับเอาลูกลูกกสุนเข้าท้องคนอื่นด้วยการใช้ปืนยิงมันก็เหมือนกันไม่แช่มันก็เป็นการกระทําแต่เป็นการกระทําที่ไม่ดีคนกระทําแล้วมันก็จะรับผลไม่ดีจากการกระทํำเอาปืนไปยิงคนอื่นเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราอะไรย่างเงี้ยครับแสดงว่าคนที่คนที่โดนเศษตะปูเข้าท้องเนี่ยก็คือเขาทํา เขาทำกรรมมาก่อนแล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้แหละก็คนที่ศส่ตะปูใส่ท้องเข้เขาคงยังไม่ชอบกันบ้างเขาก็เลยต้องแบเอ่ก็ไปทําให้เขาไม่ชอบเขาก็เลยต้องหาวิธีมาล้างแค้นนะครับขออนุญาตคําถามที่สองครับเป็นคําถามคล้ายๆกันครับแต่ถามในเรื่องกุศลในการอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาญาติผู้ล่วงรับไปแล้ว ญาติสาโลหิตพวก่วงรับไปแล้วครับในส่วนนี้ไม่ทราบว่าบรรดาญาติที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลบุญที่เราอุทิศให้ไหมครับไม่แน่แล้วแต่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าเขาอยู่ในสถานะที่จะรอรับหรือไม่รอรับครับพวกที่จะรอรับเนี่ยต้องเป็นพวกที่ไปเกิดเป็นเปรตครับถ้าเป็นเทวด า, าก็ไม่เขาก็ไม่รับไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็ไปหากินเขาเอง ถ้าไปตกนรกก็เหมือนไปติดคุกออกมาลับไม่ได้เห็นพวกที่รับได้ก็พวกเดียวคือพวกเปรตพวกที่เวลาอยู่เป็นเวลาอยู่เป็นมนุษย์ทำบาปด้วยความโลภใจก็จะหิวจะอยากอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายไปทำตามความอยากได้ก็เลยต้องมาขอบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่ให้ส่งบุญไปให้เขา นอกนั้นไม่รับกันทั้งนั้นนอกนั้นกขาหาเขาเขาหาบุญหาความสุขของเขาได้เป็นเทวดาก็มีบุญติดตัวไปเป็นมนุษย์ก็ไปหาความสุขด้วยทางร่างกายได้เป็นเดรัจฉานก็ไปหาความสุขทางร่างกายได้พวกที่ติดคุกติดตารางติดนะเป็นก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาออกมารับได้ฉั้นมีพวกเดียวที่รอรับบุญก็คือพวกเปรต คนที่จะไปเป็นเปรตก็ต้องเป็นคนที่ทำบาปด้วยความโลภขออนุญาตครับไม่ทราบว่าแบบนี้จะขัดกับเรื่องกรรมไหมครับเพราะว่าอย่างผู้ที่ไปเป็นเปรตซึ่งมีเราอุทิศบุญให้ก็ได้บุญซึ่งเปรตผู้นั้นอาจจะไม่ได้ทาไม่ได้กระทำอะไรต่างๆไว้แต่ว่า มีคนอุทิศบุญกุศลให้เขาอย่างนี้ครับไม่ทราบว่ามันจะขัดกับเรื่องกรรมที่การกระทําของแต่ละบุคคลเองทําขึ้นไว้ไหมครับเ อ, อ๋อไม่ขัดหรอกก็เวลาเราทําบุญเราก็ทําให้กับคนอื่นไม่ใช่เลยคุณมาทําบุญนี่คุณเอาเงินมาให้พระนี่คุณก็อคุณก็มาช่วยพระครับอคุณให้บุญกับเปลตก็คุณก็เหมือนกับให้เงินกับพระ ส่วนกรรมนี้หมายถึงการกระทาที่ทำให้เกิดผลต่างๆกับคนที่ทำมันคนละเรื่องกันคุณทำบาปคุณคุณทำบาปด้วยความโลภคุณก็ไปเป็นเปรตคุณทำบาปด้วยความมาฆาตปะยาบาทคุณก็ไปนรกอันนี้เป็นเรื่องของกรรมแต่เรื่องของการกระทำช่วยเหลือกันนี่ช่วยเหลือกันได้แต่ไม่ได้ช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นเป็นเปรตให้ไปเป็น เ, น เ, นเนทวดาอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเองจากการเป็นเปรถ้าเป็นเทวดาทำยังไงก็เลิกโลภเลิกทำบาปด้วยความโลภแล้วพยายามทำบุญช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคณก็กลายเป็นเทวดาขึ้นมาอันนี้ต้องทำเองไม่มีใครมาทำให้เราได้แต่การช่วยเหลือกันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของช่วยเหลือทางกรรมเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ต่อกันละกัน อันนี้ช่วยกันได้คนละเรื่องกันอ๋อตรงแสดงว่าที่กระผมถามไปสองคำถามคือไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องกรรมใช่ไหมครับเ อ, อ่อไม่ใช่กรรมกรรมก็คือการกระทาของเราทำแล้วก็เกิดผลกับเราเองทำบาปก็ไปอบายทำบุญก็ไปสวรรค์เนี่ อ, อันนี้คนอื่นทำให้เราไม่ได้เราอยากจะไปสวรรค์ให้คนอื่นทำให้เราไม่ได้รเราไม่อยากจะไปอบายห้ามไม่ได้ ถ้าเราไม่ห้ามเองคนอื่นห้ามเราไม่ได้เราต้องห้ามตัวเราเองถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ไปอบายถ้าเราทําบุญเราก็ไปสวรรค์ถ้าเราไม่ทําอะไรคนอื่นทําให้เราไม่ได้คนอื่นรักษาศีลให้เราไม่ได้คนอื่นทําบุญให้เราไม่ได้ถ้าเราอยู่เฉยเฉยเราก็จะไม่ได้บุญไม่ได้บาปเราก็จะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยเรื่อยครับอาจารย์ครับอาจารย์ มีใครอยากจะถามในทางนี้ไม่มีนะจะไดะ้ถ้ามีก็ยกมือขึ้นนะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้ากรณีคนที่ใช่ต่อให้เราไม่ไขว่หาถ้ามันใช่มันก็คือใช่มันจะจริงไหมคะขออนุ ญ, ญาตถามค่ะก็ถ้ามันใช่ก็ใช่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ <laughs> จะว่ายังไงลนะ่ะ <laughs> คำถามจากคุณโสรสศักด์กราบนมัส ก, การพระอาจารย์พระโสดาบันเมื่อตายไปแล้วมาเกิดใหม่ยังจะจำชาติเกิดก่อนได้ไหมและจะรู้ไหมว่าตัวเองบรรลุธรรมขั้นโสดาบันมาแต่ชาติก่อนถ้าไม่ระลึกชาถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็จะจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเป็นอะไรเป็นโสดาบันหรือไม่เป็น เป็นโสดาบันนี่ไม่ไม่เกี่ยวหมายถึงมันจะระลึกไม่ได้ว่าเป็นลูกของใครเป็นหญิงเป็นชายอยู่ประเทศไหนอันนี้ถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็จะไม่รู้แต่สิ่งที่จะรู้ว่าตอนนี้ตอนเองไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอันนี้มันจะติดมากับใจแต่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันถ้าไม่ได้ไปศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้ว่าเป็นอะไร ถ้าไปศึกษาก็จะรู้อ๋อตอนนี้เราเป็นโสดาบันนี่ยว่ะตอนนี้เราไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสไปอ่านตําราเราไม่รู้เราก็้อยก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นโสดาบันแต่เรารู้ว่าเราไม่ไม่ไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายจะไม่ไปทําบาปเพื่อรักษาไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเช่นไม่มีอาหารกินก็จะไม่ไปยิงนกตกปลามา เพื่อที่จะเอามาทําเป็นอาหารก็ไปเก็บขยะดีกว่าเก็บขยะเก็บกระป๋องแล้วก็เอาไปขายไปซื้ออาหารมากินเแต่คิดแบบนี้สมัยดานจะไม่คิดจะทําบาปอจะไม่กลัวความตกทุกข์ได้ยากลําบากท่านครับแล้วแล้วสติที่อยู่ในสมาธิเนี่ยมันมันไปกับจิตมีสติมันก็อยู่กับจิตไปอ ชาตน่ากลับมาเกิดมันก็มาทําสมาธิต่อได้เลยคนบางคนยังทําสมาธิได้ง่ายกว่าอีกค น, นยังไงเพราะเคยทํามาก่อนแล้วเคยฝึกมาก่อนแล้วมันก็ทําต่อมันไม่หายไปเวลาตายไปพวกสติพวกสมาธิพวกปัญญานี่มันจะอยู่กับจิตมันจะไปกับจิตมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายยังไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่วันนี้มีสติระดับไหนก็จะไปทําต่อระดับนั้นคนที่มีปัญญาระดับไหนก็ไปทํา ต่อในระดับนั้นพระโสดาบันก็มีปัญญาระดับโสดาบันก็ไปทำต่อระดับสกิทาคามีได้เลยไม่ต้องมาไม่ต้องกลับมาทำสติปัญญาระดับโสดาบันใหม่เพราะผ่านมาแล้วพอรู้แล้วว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไม่ต้องไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปตลอดกลัมาเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคําถามจากคุณมายีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธสักพักรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงเรื่อยๆพุทโธเบาลงเบาลงและเหมือนพุทโธหายไปตัวเบาๆแต่สักพัก นึกได้เลยกลับมาคิดพุโทโธใหม่ทีนี้รู้สึกเหมือนตอนนั่งแรกๆเลยอยากเรียนถามว่าเราต้องปล่อยให้พุโทโธหายตามแค่ลมหายใจหรือว่าต้องคิดพุโทโธตลอดเจ้าคะถ้าคิดได้ก็คิดไปถ้าหยุดคิดถ้าหยุดพุโทโธแล้วใจไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้ดูลมไปอย่างเดียวก็ได้เป้าหมายก็คือไม่ให้คิดอะไร ให้มีพุโทโธหรือให้ดูลมหายใจเพื่อหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่มีความคิดอยากจะหยุดแล้วก็ดูลมเฉยๆไปก็ได้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าไม่มีลมก็ดูดูใจไปเฉยๆว่ามีความคิดหรือเปล่าถ้ามีความคิดก็หยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้ลมหยุดมันคำถามจากคุณวิรัตการกาหนดจิตควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนขั้นสติเราก็กําหนดจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปก่อนหยุดความคิดไปก่อนถ้าอยู่ขั้นปัญญาเราก็ดูจิตว่าตอนนี้กําลังคิดไปทางกิเลสหรือคิดไปทางธรรมถ้าคิดไปทางกิเลสก็ต้องหยุดมัน ถ้าคิดไปในทางธรรมก็สนับสนุนมันเช่นถ้ามันคิดอสุภะก็สนับสนุนมันถ้ามันคิดว่าคนนั้นหลอ่อคนนี้สวยก็ต้องหยุดมันเพราะมันคิดไปทางกิเลสเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาคําถามจากคุณนริศราช่วงวันหยุดยาวได้ไปปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายที่กล่าวลาศิลปแปดกลับบ้านน้ําตาไหลาพาก มีความรู้สึกไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ต่อทำไมเป็นเช่นนี้หลายครั้งแล้วค่ะออมันดัดจริตเงินกิเลสมันดัดจริตมันดีใจแต่มันทำเป็นเสียใจเสียดายถ้ามันเสียดายจริงมันไม่กลับหรอกกิเลสมันหลอกเราให้เรารู้สึกว่าโอ้เราดีนะเราแต่ความจริงกิเลสมันอยากจะให้เรากลับไปทาบาปต่อ คำถามจากคุณประสงค์นมัสการพระอาจารย์การเข้าสมาธิบางท่านบอกต้องนั่งจนจิตสงบหรือนั่งคิดตามพระอาจารย์พูดไปได้ไหมครับอย่างไหนถูกหรือควรแก้แก้ไขครับการ น, นั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้สงบอย่างนี้ก็ต้องหยุดต้องหยุดควานคิดให้ได้จิตถึงจะสงบถ้าอยากจะคิดก็ให้มันคิดทางปัญญามันไม่สงบแต่มันจะได้ปัญญา ถ้าได้ปัญญาถ้ามันไปหยุดความอยากได้ก็มันก็จะสงบได้เวลาเกิดความอยากเราใช้ปัญญาหยุดมันได้จิตก็จะสงบจิตก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจคำถามจากคุณวิจัยคนบางกลุ่มมีความคิดว่าการนั่งสมาธิภาวนาไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพได้จึงปฏิบัติเพียงทำทานรักษาศีลเท่านั้นจะอธิบายอย่างไรดีครับเขาไม่รู้บอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยมานั่งเป็นพระมาให้คนอื่นเขาเลี้ยงได้อย่างสบายถ้ายังต้องไปทำงานอยู่ก็เพราะว่ามันไม่สงบอยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์เลยต้องไปหาอะไรมาทาเพื่อแก้ทุกข์ไปแต่คนที่นั่งสมาธิได้หยุด ทำจิตให้สงบได้มีความสุขอยู่กับการอยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ให้คนอื่นมาเลี้ยงได้เขาไม่เห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิว่าจะทำให้เขาสบายทำให้เขาไม่ต้องไปเหนื่อยไปทำงานทุกวันทุกวันไป ม, มีปัญหากับสถานที่ทำงานกับคนนั้นกับคนนี้มีปัญหากับเงินทองไม่พอใช้เขาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สัที เพราะความอยากใช้เงินมันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำใจสงบแล้วมันจะไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็ไม่ต้องไปทำงานไปบวชได้สบายบวชแล้วก็มีคนมาคอยเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยประโยชน์จากการฝึกสมาธิจะได้ไปบวชได้คนที่ทำสมาธิได้แล้วเขาไม่อยู่หรอกเขาไปบวช ด, ดีกว่าสบายจะตายไปอยู่เฉยๆมีคนเลี้ยงดู <c oughs> อายากถามมาดังๆก็ได้เนะการตอจากคําถามพี่อาจารย์บอกว่าที่ที่ทมานั่งสมาธิแล้วก็ไม่ต้อ ง, อ, งอยากได้อะไรแต่ก่อนที่จะได้มานั่งอะคะ่ะบางบางคนก็มีภาระหนี้สินอย่างเช่นจะต้องผัานบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยค่ะก็ลดหนี้สินลงเสร็จขายรถไปสิถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องใช้รถก็คือถ้ายัางเป็นหนี้อยู่ก็ตัด ตัดนี่ตรงนั้นทิ้งไปเลยไม่ต้องไปกังวล<ป>ตรงนั้นตัดถ้าเรามาฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้รถนะเพราะสมาธิทำได้ที่บ้า น, นอยู่คนเดียวแล้วบ้านล่ะคะต้องขายบ้านก็เช่าบ้านแทนไงเช่าบ้านาปัญหาก็คือเขาก็จะไม่มีไรายได้มาจ่ายค่าเช่าก็ไปบวชไปอยู่วัดไปรับใช้วัดไปทำงานที่วัดปอยู่วัดก็ทำงานช่วยล้างถ้วยล้างชามล้างส่วม เราก็จะมีที่อยู่ฟรีมีข้าฟรีกินสรุปก็คือต้องตัดความกังวลทั้งหลายว่าเราจะไม่มีบ้านเราจะไม่มีหนี้สินก็คือต้องมาทางนี้าาก็จะ ท, ทำให้จิตเราสบาย ส, สบา ย, ยาถ้าเรามีความสงบแล้วจิตเราไม่ต้องอาศัยอะไรไงไม่เดือดร้อนไม่มีบ้านก็นอนใต้ใ ต, ใต้ถุนศาลาก็ได้นอนอยู่ตามโคนไม้ก็ได้แล้วถ้ายังมีลูกที่ยังยังเรียนหนังสืออยู่ล่ะคะก็ บริจากเขาให้เข้าไปก็อยากจะได้ก็ยกให้เขาไปอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราตัดใจแล้วเราอยากจะไปบวชสมมติถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชชีออใช่ไคะบวชชีแต่นี้สมมติว่าสามีและลูกเขาจะไม่หาว่าเราทิ้งเขาแล้วเราบาปไหมคะก็ไม่บาปแล้วทิ้งเขากาทิ้งเขาทิ้งเราได้แต่มันเราทิ้งเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่คิ ด, คดอยู่คะออ่ะก็ไม่ได้ปไ<ม>ปทำลายเขานี่อางลังเลค่ะ อยู่ที่ว่าเราทําได้หรือเปล่าตอนนั้นนี่คิดอยู่แต่ทํายากใช่มันทํายากแล้วก็เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รังว่าเอ้เราเราจะจะทิ้งเขาไปได้ไหมเหมือนเราเห็นแค่ตัวอะไรย่างนี้ค่ะไม่เห็นเราเวลาก็ทิ้งเราก็ไม่เห็นกันเขาไม่คิดว่าเขาเห็นกับตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่น่วมกันมันไม่แน่นอนถึงเวลาก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายจาธุ แต่คนจะไปได้ต้องเป็นคนทละหดอดทนเป็นพวกที่อยู่กับดนินกินกับทรายได้นอนกับดนินกินกับทรายได้อถึงจะไปอยู่ต้องเป็นพวกเดินตายพูดง่ายๆพวกที่จะไปบวชนี้ต้องเป็นพวกเดินตายเคืออยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้อย่าง น, นี้ก็จะไม่จะได้ไม่มีปัญหาถ้ายัางจู้จี้จุกจิกว่าจะต้องกินอย่างนั้นต้องอยู่แบบนี้ก็คงจะยาก กล่าวถึงเมื่อกี้ถ้าเกิดมีนคำกล่าวไว้ว่าคนเคยทําถึงจะได้ทําคนไม่เคยทําก็จะไม่ได้ทําำห<อ>มายถึงหมายถึงคนเคยทําจะทําได้ง่ายคนไม่เคยทําจะทําได้ยากคนไม่เคยทําทํายากก็หัดทําได้ทุกคนมีโอกาสถ้าทําไม่เคยทําก็หัดทําได้คนที่เคยทําแล้วก็จะทําได้ง่ายไปได้เร็วกว่าเท่านั้นเองแล้วา ก็แบบเดียวกันนี่แหะวาสนาเคยทําอะไรมามันก็เป็นวาสนาเป็นสันดานไปเช่นคนเคยได้บวชเรียนในมันก็จะมันก็จะบวชง่ายมันจะอยากบวชคนที่ไม่เคยบวชมันก็จะไม่อยากบวชถ้าเป็นผู้หญิงถ้าท่านนึกป่าศานาอยากจะบวชสักวันก็จะได้บวชใช่ไหมได้มันอยู่ที่ความนึกเนี่ถ้าไม่นึกมันก็ไม่ไม่บวชถ้ามันนึกก็เดี๋ยวมันก็พยายามทําตามที่มันนึกมันก็ได้บวชเอง ต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามทำบุญกุศลทำบุญกุศลแบบไหนที่คนเราได้มาอยู่ด้วยกันได้และได้เจอกันและได้เกิดมาเป็นครอบครัวต้องทำอย่างไรคะก็ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันหมดเนี่ยเหมือนขับรถเนี่ยสองคัญจะไปที่ไหนได้พร้อมกันก็ต้องขับไปติดก้นกันไปเลยถ้าทางที่ดีก็เอาโซ่ล่ามติดกันไว้เลยทางอย่างนี้เรามันจะได้ ถ้าไม่มีโซ่ล้ามเดี๋ยวบางทีรถคันอื่นแทรกเข้ามาได้เดี๋ยวเกิดคันหนึ่งไปพ้นไฟเขียวไอ้คนนึงมาติดไฟแดงก็จะไปไม่ทันเงินยังถ้าอยากจะไปเจอกันทุกพบทุกชาติก็ต้องเกิดพร้อมกันตายพร้อมกันถ้าคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็ต้องตายตามไปด้วยมันเยอะได้เกิดไปพร้อมกันได้ถ้าคนหนึ่งเกิด คนหนึ่งตายก่อนอีกคนหนึ่งมามาตายทีหลังยี่สิบปีถ้าไปเกิดเขาหน้าอาจจะไปเป็นลูกเขา LIVE, แเราขนาดแทนที่จะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเ uh huh. พราะมันตายไม่พร้อมกันออาเพรนี้ถ้าอยากจะไปพร้อมกันเนี้จะต้องทําอะไรทุกอย่างเหมือนเหมือนกันพร้อมๆมกันใส่บาตรก็ใส่พร้อมกันรักษาศีลก็รักษาพร้อมกันนั่งสมาธิก็นั่งนั่งพร้อมกันทําอะไรก็ต้องพร้อมเหมือนฝาแฝดเหมือนอ่ huh. เหมือนเป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ย ถ้าอย่างนี้โอกาสที่มันจะไปพบกันข้างหน้ามันก็มีมากแะคนนึงทําอย่างคนนี้อีกคนนึงทําอีกอย่างเหมือนคนไปคนละทิศคนละทางกันนะคนหนึงชอบกินเหล้าอีกคนนึงชอบไปวดัดนี้เดี๋ยวมันชาติหน้ามันไม่ได้เจอกันเนอะคาถามจากคุณสิริวัลอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าบางวันมีอาการจิตตื่น จนสว่างไม่ได้นอนค่ะไม่มีอาการง่วงหรือเพลียก็ไปทํางานปกติสังเกตทั้งวันก็ไม่ง่วงค่ะลักษณะแบบนี้คือเป็นอะไรคะเดี๋ยวขออนญาตโยมที่คุยกันไม่คุยกันที่ต้นโพดีกว่านะเพราะว่าฟังไม่ดูเรื่องขอความกรุณาไม่ไม่ได้ห้ามอยากจะคุยก็ไปได้แต่ไปคุยที่มัน จะได้ไม่มารบกวนกันเพราะเวลาฟังทางนี้เสียงทางนน้นที่มันก็เข้ามาคนฟังก็คนอื่นฟังเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องกั น, น, นขอความกรุณาถ้าจะฟังก็อย่าคุยกันถ้าจะคุยกันก็ขอให้ไปคุยที่มันไกลๆหน่อยจะได้ไม่มาลบกวนกันอันนี้ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่พูดด้วยเหตุด้วยผลถามใหม่เลยครับจากคุณสิริวัลอยากสอบถามว่า บางวันมีอาการจิตตื่นจนสว่างคือไม่ได้นอนไม่มีอาการง่วงหรือเพลียก็ไปทํางานปกติสังเกตทั้งวันก็ไม่ง่วงค่ะลักษณะแบบนี้คือเป็นอะไรคะก็มีสติจิตตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาก็รู้ตามความเป็นจริงคําถามจากคุณพรานเรียนถามพระอาจารย์ครับเพื่อนมาขอายืมเงินบอกว่าเดือดร้อน ผมก็ให้เขายืมแต่มารู้ทีหลังว่าเพื่อนมายืมเงินไปทำแท้งผมมีส่วนบาปไหมครับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำแท้งของเพื่อนไหมครับถ้าเราไม่รู้ไม่บาปถ้าเรารู้เราก็อย่าไปทำอย่าไปให้เขามาแล้วกันเพราะเป็นการสนับสนุนให้เขาได้ไปทำบาปคําถามจากคุณเอกเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กับพระได้บุญไหมครับ ได้ได้คำถามครับตั้งสติไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งไม่จําเป็นต้องที่ลมกระทบจมูกอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ในท่าไหนเวลาเรานั่งสมาธิก็ตั้งที่ลมก็ได้ตั้งที่หน้าท้องก็ได้ที่เขาบอกยุบหนอพองหนอเขเพราะเขาให้ตั้งสติอยู่ที่หน้าท้องเวลาลมเข้าไปท้องก็จะพองออกมา เวลาลมออกมามันก็จะยุบเข้าไปเขาก็เวลาท้องพองก็เรียกว่าพองหนอเวลาท้องยุบก็บอกว่ายุบหนอจะบอกว่าจะใช้คำว่ายุบหนอพองหนอก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าท้องพองรู้ว่าท้องยุบไปเช่นเดียวกับการดูลมที่ปลายจมูกดูก็ดูว่ารู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกไม่ต้องพูดว่าเข้าไม่ต้องพูดว่าออกก็ได้ พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติเป้าหมายก็คือจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองคำถามจากคุณแซคก่อนหน้านี้ผมปฏิบัติทำอยู่ตลอดรู้สึกมีสติอยู่เนืองๆแต่ไม่นานนี้ผมเพิ่งสอบผ่านและกำลังจะได้ทำอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก ปรากฏว่าผมรู้ตัวว่าฟุ้งมากมีคำสรรเสริญมากมายที่เข้ามาผมพยายามกดไม่ให้ฟุง้งแต่ก็ทำไม่ได้ขอคำแนะนำในการกำจัดกิเลสนี้ครับ เ, เวลาไปกดจิตไม่ได้หรอวิธีจะกดจิตก็ต้องใช้สติใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตเราคิดอยู่พุทโธเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องสรรเสริญต่างๆไป คำถามจากคุณสุริยากราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการประกอบอาชีพเจ้าคะ่ะเรื่องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นการมัวเมาให้คนลุ่มหลงในอบายมุขถือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้ามองว่ามันเป็นการพ น, นันมันก็ไม่ถูกต้องเป็นอบายมุข ถ้าถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นบายามุกถือว่าเป็นการเอาเงินจากผู้มีเงินไปให้กับผู้ที่ยากจนก็ได้เพราะรายได้จากสลากกินแบ่งส่วนหนึ่งเขาก็าไปสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนผู้ตกทุกข์ได้ยากจะมองว่าเป็นการเสี่ยงโชคเป็นการมองว่าเป็นการทําบุญก็ได้ถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกก็ถือว่าทาบุญไป ถ้าซื้อแล้วถูกก็ถือว่าเป็นโชคของเราไปแต่ก็ต้องรู้จักประมาณไม่ใช่ ซือแบบหมดเนื้อหมดตัวทุ่มเทถ้าอย่างงี้ก็เป็นเป็นการพนันไม่ควรทำแบบนั้นถ้าทาแบบพอหอมปากหอมคอแบบเป็นการเปิดประตูบุญของเราบางทีเรามีบุญแต่มันไม่มีทางมาเราก็เปิดทางให้มันมาด้วยการไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถ้าเป็นบุญของเรามันก็ถูกปั๊บเลยมันก็มาเลยถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเราทำบุญต่อไป คำถามจากคุณเชอร์เบลกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะครูบาอาจารย์ที่อัติกลายเป็นพระธาตุคือพระอรหันต์ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่อัติจะกลายเป็นเป็นพระธาตุได้นอกจากนั้นยังเป็นไม่ได้แม้แต่พระอนาคามีพระสกิรดาคามีพระอรหันต์ไอพระสวัสดาบันจิตยังไม่บริสุทธิ์้อยเอร์เซ็นต์ยังมีกิเลสอยู่ ก็ยังไม่สามารถพอกธาตุพอกกระดูกให้กลายเป็นธาตุได้ต้องเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถพอกธาตุให้พอกกระดูกระดูกให้กลายเป็นธาตุขึ้นมาได้คำถามจากคุณเชอร์เบลลูกขออุบายวิธีระงับความโกรธหน่อยเจ้าค่ะความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราเป็นคนจู้จี้จุกจิกเราจะโกรธง่ายเพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่ค่อยโกรธยังไงก็ได้อะมาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวว่าข้าต้มมาให้กินก็ได้อยางงี้ก็จะไม่โกรธแต่ถ้าอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวเราต้องกินต้องกินให้ได้พอได้ก๋วยได้เข้าต้มมาก็จะโกรธเนี่ยยังถ้าอยากจะเป็นคนที่ไม่โกรธก็พยายามหัดทำตัวให้เป็นคนสันโดษ ย, ยินดีตามตามีตามเกิด อย่าจู้จี้จุกจิกอย่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ยินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่ค่อยโกรธใครแต่ถ้าอยากจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้พอไม่ได้มันก็จะโกรธขึ้นมาคำถามจากผู้ฝากถามถ้าพระบอกโยมว่าอยากกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าผิดไหมครับ เป็นกิเลสเนี่ยเป็นพระมาบวชเพื่อมาตัดกิเลสไม่ใช่มาเลี้ยงกิเลสถ้าบอกว่าอยากกินนี่นู่นกินใีนี่ก็แสดงกําลังเลี้ยงกิเลสก็อย่าบวชดีกว่าผู้ที่มาบวชนี้ท่านบอกให้สันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดไปบิณฑบาตญาติโยมอยากจะใส่อะไรก็รับมากินได้ก็กินมีอะไรก็กินไปกินเพื่อดับความหิวไม่กินเพื่อความสุข ที่เกิดจากความอยากได้กินของที่อยากกินกินเพื่อระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายเท่านั้นเองกินเพื่อจะได้ให้ให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาฆ่ากิเลสต่อไปไม่ใช่เอากิเลสมาฆ่าได้กินแบบกินด้วยความอยากกิเลสมันก็จะไม่มีวันตายถ้าทำตามความอยากการใส่บาตรพระ ที่ไม่เคยทำผิดพระวินัยเลยกับพระที่ทำผิดวินัยบ่อยๆจะได้บุญเท่ากันหรือไม่ครับคนให้ได้เท่ากันแต่ถ้าเราใส่บาตรกับพระที่ทำผิดวินยัยเราก็ไปส่งเสริมให้พระได้อยู่เป็นพระไปต่อถ้าเราไม่ใส่ให้บาตรให้กับพระที่ทำผิดวินยัยต่อไปเขาก็ต้องสึกไปเพราะไม่มีใครเลี้ยงเขาคำถามจากคุณโสรสัก์กราบนามัสการครับตอนเราหลับลึก แล้วฝันคือจิตเราปล่อยกายไปอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันเหมือนตอนนั่งสมาธิจน จ, นจิตปล่อยกายไหมครับบางทีก็รู้ตัวว่าฝันครับนั่นคือสติใช่ไหมครับท่านท่านั่งสมาธิมีสติมันไม่เหมือนกับตอนนอนหลับฝันไปนอนนอนหลับฝันไม่มีสติจิตมันก็เลยปรุงแต่งไปตามบุญตามบาปที่มันได้ทำมา คำถามจากคุณพิมพ์กราบนมัสการพระอาจารย์ดิฉันเคยปฏิบัติธรรมและตั้งมั่นไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วและดิฉันเคยฝันว่ามีคนมาบอกดิฉันว่าคนคนนี้จะทำอะไรก็รีบๆทำนะอัญญากณทัญญะนั่งอยู่ข้างในฝันแบบนี้เขาเรียกว่าปริศนาธรรมใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนเท่านั้น ก็เรียกฝันอะจะแปลว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปแปลเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะเรียกมันยังไงก็ได้มันก็เป็นความฝันจะเป็นว่ามันเป็นปริศนาธรรมก็ก็ลองหาคำตอบด้วยว่ามันเป็นปริศนายังไงมันบอกให้เรารีบเป็นสภาวะโสดาบันหรือเปล่าเพราะพระอัญญาณโกนทยท่านเป็นโสดาบันก่อนที่จะเป็นอรหันต์คาถามจากคุณสมหวัง กราบถามพระอาจารย์เวลาไปวัดชอบสวดตามพระจะบาปไหมคะถ้าเวลาที่เขาไม่สวดก็ไม่ควรสวดเช่นเวลาพระให้พรเป็นหน้าที่ของพระโยมเป็นหน้าที่รับพรก็รับฟังไปแต่ถ้าไปร่วมสวดมนกันในโบสถ์ทำวัดชาวัดค่ำนี้ก็สวดพร้อมกันได้แล้วแต่การละเทสะไม่บาปหรอกแต่มันเป็นการเป็นการว่าทําถูกการละเทสะหรือไม่ คำถามจากคุณแจนกราบเรียนถามเจ้าค่ะจะพัฒนาการปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวข้ามเวทนาได้เจ้าค่ะตอนนี้มีเวทนามากเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจิตจึงไม่ค่อยรวมต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้ามีสติมีกำลังมากมันจะไม่อุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายมันก็จะผ่านเวทนาได้ ้นก่อนที่จะมานั่งพยายามฝึกสติให้มากๆพุโทโธบ่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆพอเวลานั่งเราก็สามารถที่จะควบคุมใจให้นิ่งเฉยๆไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บได้คำถามจากคุณนภพัส์หนูเคยไปปฏิบัติธรรมมาก็หลายวัดและเคยเห็นแม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดทะเละกันนินทา นู่นนี่นั่นจนทําให้หนูรู้สึกว่าขนาดมาบวชแล้วปรงทุกอย่างแล้วแต่ยังมาทะเลาะกันแล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรเพราะบางทีเคยคิดว่าถ้าเราแก่ตัวไปลูกหลานไม่สนใจก็อยากปฏิบัติธรรมแต่เรื่องไปอยู่วัดนี้ชักไม่แน่ใจแล้วแล้วเราจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็วัดไม่เหมือนกันไงวัดก็เหมือนเหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนก็มีโรงเรียนที่ดีโรงเรียนไม่ดีก็มีอยู่ที่ครูอยู่ที่อาจารย์ที่คอยควบคุมคอยสอนนักเรียนวัดที่เรียบร้อยก็มีเพราะมีครูมีอาจารย์คอยควบคุมคอยสั่งคอยสอนวัดที่ไม่เรียบร้อยก็เพราะไม่มีครูอาจารย์คอยคุมคอยสั่งคอยสอนเราก็ต้องเลือกวัดเหมือนกับเราเลือกโรงเรียน คำถามจากคุณทัศนีกราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อคืนดิฉันไม่สบายอาเจียนออกหมดเลยไม่นั่งสมาธิเลยเข้านอนแล้วภาวนาพุทโธเลยค่ะแต่ตอนนอนจิตตกแต่คิดได้ว่าเดี๋ยวไปอบายเลยพุทโธหลับไปเลยค่ะดิฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคะออถูกแนละ้วถ้านอนหลับก็ใช้ได้ดีก่นนอนไม่หลับ ตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วเลยคมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมหรือเปล่ามีเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปคนฟังจะได้ยินคาถามเพราะเสียงมันคอ่อยเอาไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากเลยเสียงจะได้ดังหลวงพ่อเจ้าขาถ้าเรานอนเรานอนไม่ค่อยหลับเราก็จะใช้ธรรมะเพื่อขัดเกล่จิตใจเรา โดยที่เรานอนฟังธรรมอะค่ะแต่ก่อนนอนเราก็จะสวดมนต์ก่อนอย่างนี้จนเราหลับไปทุกคืนอย่างเงี้ยเราเราบาปไหมคะที่เรานอนอ๋อไม่บาปเราใช้ใช้ธรรมะก่อมเราดีกว่ากินยานอนหลับกินยานอนหลับเดี๋ยวมันก็ติดแล้วก็จะมีปัญหาทางร่างกายแต่ถ้าใช้ธรรมะมันจะไม่มีปัญหาใช้ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วให้มันหลับไปกับธรรมะก็ได้ แต่ทางที่ดีถ้าไม่ใช้ได้จะดีกว่าใช้สติของเราอคอยควบคอยหยุดความคิดเราดูลมหายใจไปเดี๋ยวก็หลับเพราะถ้าเราใช้ธรรมะเดี๋ยวเกิดไม่มีธรรมะเราฟังเราจะนอนไม่หลับหัดใช้ของที่มีอยู่ในตัวเราจะดีกว่าของที่มีอยู่ในตัวเราก็คือสติถ้าเรามีสติเราก็จะยดหยุดความคิดต่างๆได้พอหยุดความคิดต่างๆร่างกายก็จะหลับมีอีกไหม ไม่มีส่งกลับคําถามจากคุณอัคารวิทย์ขอโอกาสกราบถามพระอาจารย์ครับกรณีตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็มีแต่จะเสวยสุขกับบุญกุศลที่เคยทำมามีแต่จะลุ่มหลงไปกับการเสวยผลบุญเท่านั้นพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่เช่นนี้แล้วถ้าขอคิดเล่น ว่าจะไม่ขอเกิดเป็นเทวดาจะขอเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติคิดแบบนี้ได้ไหมครับเพราะมนุษย์เป็นภพที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีได้มาฟังเทศฟังธรรมแม้ตัวอยู่ไกลก็ได้ฟังธรรมทุกวันเกรงว่าเป็นเทวดาจะไม่ได้ฟังธรรมครับอ๋อบางทีเกิดมาเป็นมนุษย์ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีธรรมให้ฟังก็ได้เพราะมันเราไม่รู้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ยั้นก็แล้วแต่การทําบุญนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปเป็นเทวดาหรอกมันเป็นผลที่เราได้แต่การทําบุญนี้เพื่อเรามีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ทําบุญเลยชีวิตเราจะจืดชืดน เป็นมนุษย์ก็จริงแต่มันจะเฉืดชืดไม่มีความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับการคนกับเหมือนกับคนที่ได้ทําบุญยิ่นทําบุญไปเถอะมันไม่เสียหายอะไรไปเป็นเทวดาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับคําถามค่อนข้างยาวนิดนะครับจากคุณนิรัตกรกราบนามัสการท่านพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ถามธรรมะแทนพี่สาวที่อยู่จังหวัดกําแพงเพชรครับข้อที่หนึ่ง พี่สาวปฏิบัติธรรมด้วยอาณาปานสติจนศีลสมาธิปัญญารวมตัวเกิดมรรค -8 หมุนและรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวจนสามารถเดินวิปัสสนาญาณมองเห็นอริยสัจสี่ขันห้าและการเกิดดับด้วยการน้ อ, นอมกดไตรลักษณ์ด้วยกำลังสมาธิมาพิจารณาเดินปัญญาเห็นการเกิดดับของกิเลสแล้วครับปัญหาคือเมื่อสามวันก่อนไปส่ง อารมณ์เล que the so ่าสภาวะธรรมที่ปฏิบัติให้พระวิปัสสนาจารย์ท่านฟังท่านแนะนําให้หยุดการพิจารณาหยุดเดินปัญญาสักหนึ่งเดือนเพราะเห็นว่าอาจเป็นวิปัสนาเพื่อดูว่าพลังสมาธิและวิปัสสนาญาณที่กําลังเพียรทําให้เป็นวสีนั้นจะเสื่อมหรือไม่เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองทําดูก็แล้วกัน การที่มักแปดรวมการเห็นกายเวทนาจิตธรรมแยกรูปแยกนามและเห็นสภาวะการเกิดดับด้วยตาธรรมแล้วอยากลองทาดูตามคำแนะนำว่าจิตจะเสื่อมหรือไม่นั้นถือว่ายังไม่ถึงธรรมใช่ไหมครับแต่พี่สาวมั่นใจว่าจิตตัวเองจะไม่เสื่อมซึ่งผมแนะนำไปว่าไม่ควรหยุดควรรีบเร่งความเพียรปฏิบัติให้ได้ทุกอริยบทถูกต้องไหมครับ ความจริงมองมองผิดที่จุดที่เราต้องมองก็คือว่าตัณหาความอยากสามประการหมดไปจากใจหรือเปล่าการมตัณหาหมดไปหรือเปล่าภาะวะตัณหาหมดไปหรือเปล่าวิภาะวะตัณหาหมดไปหรือเปล่าต้องดูสามตัวนี้ถ้ายังมีอยู่ก็ยังไม่ยังไปไม่ถึงไหนถ้ามันน้อยลงไปหรือมันหมดไปนี่ก็แสดงว่าเราจเจริญก้าวหน้า ต้องดูที่ตัวสมุทัยว่าน้อยลงไปหมดไปหรือเปล่าบางทีไปดูมรคแต่ยังมรคยังไม่ได้เอามาฆ่าตันหามันก็ไม่หมดมีมีดแต่ไม่เอาไปฆ่ากิเลสมันก็กิเลสมันก็ไม่ตายมีมีดแล้วก็ต้องเอามีดนี้ไปทิ่มแทงกิเลสให้มันหมดไปไม่ใช่มีมีดแล้วเก็บไว้ปล่อยให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านเหมือนเดิมอย่างนี้มีมีมีดก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องดูที่ว่ากิเลสตายหรือเปล่าตัณหาตายหรือเปล่าตัณหาหมดไปจากใจหรื อ, อยังการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสด้กลิ่นอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็มีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ถ้าไม่เอามาใช้หยุดความอยากเหล่านี้หมดหรือยังยังมีครับ เอาอีกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อเอาคนนี้หมดแล้วใช่ไหมคนนี้หมดแล้วครับเอาคําคำถามสุดท้ายก็แล้วกันครับจากคุณธนเสก กรับเรียนถามทำบุญอย่างไรให้ได้บุญท like ั้งกลางวันและกลางคืนครับก็ทำทั้งวันกลางคืนด้วยไม่ได้ทำกลางวันก็ได้กลางวันเลยทำกลางคืนก็ได้กลางคืนแต่อย่าได้ทั้งวันทั้งคืนก็อย่างพระปฏิบัตินี่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดินจองกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นก็ได้บุญตลอดเวลาเอาล่วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา